สนิสปุสัมปิสังขภวังใส่ละนังคตามิทำมันจะที่ขุสังคัญจะอุปาทิกังผุดทายเป่าปายสักกงมัง ส, สังโค พาเลโตเลเลอัญชาสักเคปาโนเตตังสารนังฆาตังหาไปเจ้าขอปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผูมิณฑ์เถือ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกขอพระคุณเจ้าทรงโงรดจาพระภเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสาระาที่งพี่งอินเลสตราเท่าสินาาส้นชีวิตของข้าพเจ้ า, านี่แหละอาา้แล้วต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งสมาธิแต่ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านกำห น, นดจิ ทำสมาธิในท่านัง่งในกายของเรานี้มีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นประธานพวกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่จิตในขณะนี้กายกับจิตของท่านยังมีความสัมพันธ์ือรับรู้กันอยู่ เมื่อท่านกำหนดรู้ที่จิตท่านก็ยังรู้ว่ากายยังมีเมื่อกายยังมีอยู่จิตของท่านก็รู้เรื่องของกายโดยไม่ได้ตั้งใจเวลานี้ท่านนั่งอยู่กายสบายไหมท่านก็รู้มีอะไรมาสัมผัสกายท่านไหมท่านก็รู้คว า, ามเจ็บรวจ เกิดขึ้นที่กายท่านก็รู้เพราะกายกับจิตของท่านยังอยู่ด้วยกันยังไม่แยกจากกันถ้าหากว่าจิตของท่านความโกรู้ความสุขและความทุกข์หรือความเฉยๆที่เกิดที่กายสุขก็ดีทุกข์ก็ดี เมื่อเกิเมื่อตายยังปรากฏอยู่กับความรู้สึกเมื่อท่านกำหนดรู้กายอยู่สติแตตั้งอยู่ที่กายและเลึกรู้อยู่ที่กายโดยเพียงแค่นึกรู้สึกว่ากายมีอยู่แม้ว่าท่านไม่ได้นึกแค่ น, นั้นท่านก็ยังรู้ว่ากายมีอยู่ เมื่อเจตขอท่านรู้สึกว่ากายมีอยู่เวทนาสุขทุกข์ย่อมเกิดขึ้นที่กายเมื่อท่านมีสติรู้อยู่ท่านก็รู้ว่าเวทนามีสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาสุขเรียกว่าสุขคเวทนาทุกข์เรียกว่าทุกข์เวทนา เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอุเปกขาเวทนาเมื่อสติของท่านกําหนดรู้เวทนาสติไปตั้งอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานความรู้ความคิดคิดว่านี่กายนี่เวทนา นี่สุขเวทนานี่ทุกขเวทนานี่อุเบกขาเวทนาความคิดหรือรู้เป็นอาการของจิตเมื่อสติมากำหนดโูพร้อมเกี่ยวกับความคิดเช่นนั้นถ้าสติสร้างมัน่น หรือสติตามโลโลความคิดอ น, นันต์เรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้าสติทั้งมั่นอยู่กับความคิดนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อหากว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นทุคเวทนาเกิดขึ้น ปิดลุงแต่งธรรมชาติของคนเรามีความรู้สึกชอบความสบายถ้าหากจิตของท่านใส่หาความสบายโดยไม่อยากทำอะไรไม่ปฏิบัติบางทีอาจจะคิดว่าเลิกปฏิบัติจะดีกว่าอยู่เฉยๆสบายดี แสดงว่าจิตของท่านใกล้ต่อความสบายปิดความสบายเมื่อจิตติดความสุขความสบายจิตก็มีความใกล้ในามกามกามก็คือความสบายใกล้ในความสุขเพื่อไม่อยากทำอะไรเรียกว่ากามมันฉะความใกล้พอใจในความสบาย เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตกรุงแต่งว่าจะปฏิบัติต่อไปดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ความคิดเช่นนี้เป็นลักษณะของพยาบาทคือเป็นความคิดที่จะตัดรอนคุณความดีเมื่อความคิดกังวลสงสัยว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีความงงดิ้งุ่นงานลำคาญ บางเกิดขึ้นเรียกว่าอุทธักกุกุจะเมื่อมีความพุงตานลำคาญบางเกิดขึ้นเิกีกีขาความง่วงอ่าความง่วงอ้วตินามิธาความง่องอวงเห ง, ง, ง, งาวหาวนอนเกิดขึ้นมาแสสท้ปีกก็โปร่งแสงขึ้นมาว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีหรือจะจุดกันเพียงแค่นี้ เป็นวิกิคิษาความลังเลสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจเมื่อตัดสินใจเด็กขาดตรงไปไม่เอาละเลิกดีกว่าพยาปาทะวิ่งเข้ามาตัดจอนเมื่อเจตมากำหนดรู้อยู่ที่นี่นิวร้าคือการมาฉันพระความใกล้ในความสุขสบาย พยาพาทะความพยาพาทะความคิดเล็ดรอนหรือตัดรอนปุถะจะความพุ้งส่านลำคาญสินามิทะความว่เหงาอาวหลอดมิคีกิจฐาความสงสัยไม่เอาจริงถ่ายจิตมากำหนดตูอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เป็นธรรมไยอสุชนเป็นนิวารณธรรม เป็นธรรมที่คอยกลางดัานคุณงามความดีให้บงังไม่ให้บังเกิดขึ้นจึงเรียกว่านิวรหรือนิวารณะแปลว่าสิ่งติดกัน้นกั้นสมาธิไม่ให้เกิดการปัญญาไม่ให้เกิดการกุศลไม่ให้เกิดก็อันนี้เป็นธรรมฝ่ายอากุศลเมื่อติดมากําหนดรู้ธรรมที่เป็นกุศลอกุศล เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติมากำหนดตั้งมัน่นพิจาจรนาอยู่ที่ธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของสติจิตโล้ว่ากายมีอยู่และมีสติตั้งมั่นอยู่ที่กาย <c oughs> อย่างน้อยก็ตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเพราะปอดเป็นผู้มีหน้าที่ทำหน้าที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อสติไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจก็ได้คือว่าสติไปตั้งอยู่ที่กาย จ่เป็นอนาปานุสติด้วยกายานุปัจนาสติปัฏฐานด้วยในมหาสติปัฏฐานบัมพัฒน์บับัณฑ์พนจำแนกแก่พิธีการพิจารณากายเวทนาจิตทำไว้อย่างกว้างฟังพิสดารแต่อนั้นเป็นภาปฏิบัติ ท่านเริ่มต้นจะให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยความเป็นของปฏิโกณได้เกลียดตั้งโดยความเป็นธาตุสีเป็นน้ำลมไฟบ้างเพื่อจะให้จิตหรือสติไปตั้งอยู่ที่กายจะได้เกิดความรู้ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตวต์บุคคลโตตนเราเขา ท่านให้เริ่มพิจารณาตั้งแตกายภายนอกคือกายของคนอื่นหรือพิจารณาทราบสุขหมายถึงทราบสุภาษแล้วก็น้อมก็มาเปรียบเทียบ ก, กับตนเองเช่นอย่างไปเห็นทราบศพที่นอนตายอยู่ท่านให้พิจารณาทราบศพเมื่อคร น, นี้ทราบศพก็มีชีวิตจิตใจเดินเอิ้ไปมาได้เหมือนเรา บัดนี้เขาปราศจากวิญญาณแล้วก็มีตแต่จะเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็น้อมก็ามาเปรียบเทียบกับตนเองว่าแม่เราก็เช่นกันเวลานี้เรามีกายมีตจมีจิตมีวิญญาณเราก็ยังเดินยเดินเหินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้ิบศาะเมื่อวิญญาณออกจากกลางแล้ว ร่างกายก็มีแต่จะเน่าเปื่อยถูกพังผัดผมแทนดินเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเมื่อสลายตัวไปก็จะเป็นนธาตุสีติน้ำลมไปหาสัตวบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีร่างกายถ่ายกายภายนอกกับกายภายในเป็นเช่นไรกายภายนอกเป็นเช่นไรกายภายในก็ย่อมเป็นเช่นนั้น เห็นในการพิจรารณากายภายนอกศาสตรแปลว่ากายแต่ว่ามันเป็นกายของคนอืน่นอันนั้นเรียกว่าเห็นกายภายนอกแต่เมื่อมาพิจารณากายของตนเองให้เห็นว่ากายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แม้ปัจจุบันนี้จะยังสดสวยงดตามพอดูกัดได้แต่เมื่อแต่กายสลายลงไปแล้วก็จะเน่าเปือ่อยผุพังเป็นของปฏิโกณน่าเกลียดโสโครแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายเป็นแต่เพียงกายกายเป็นแต่เพียงสมมติปัญญา กายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ที่สมมติว่าบุคคลตัวตนเราเขาได้สัตว์นั้นเป็นแต่เพียงสมมติปัญญัติตามภาษาโลกแต่เมื่อความเป็นจริงแล้วสมมติปัญญตันนี้เป็นกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นกายภายในกายของเราเป็นเช่นนั้นเรียกว่าพิจารณากายในกาย ถาสติไปตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณากายโดยยึดเอากายเป็นอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนั้นจนกระทั่งว่าในขณะที่พิจารณาในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นออกจากสมาธิไปแล้วสติก็กำหนดตามรูปการดืนเดินนั่งนอนกินเดื่มทำพูดซึ่งเป็นเรื่องของกาย เยกวาสติไปตั้งอยู่ที่กายเรียกว่าตายานุปัฒนาสติปัฏฐานถ้าสติเพียงแค่ว่าควบคุมบังคับให้ะระลึกไปในกายคือะระลึกถึงโคมโขนได้ปันหลังเนื้อนกระดูกเป็นต้ น, น, อ, อ, น, นตอันนี้เรียกว่าเป็นภาพปฏิบัติเป็นสติปัญญาธรรมดา แต่ถ้าหากว่าจิตมีสติกำหนดรู้เรื่องของกายอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติจะตั้งใจก็กำหนดรู้ไม่ตั้งใจก็กำหนดรู้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาทุกขณะิตทุกลมหายใจสติไม่คลาดจากกายรม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอ น, นรับการืดินทำผู้คิดสติก็รู้พร้อมอยู่ที่กายตลอดเวลา อันนี้เรียกว่ า, ากายานุปัฏนาสติปัฏฐานถ้าสติตั้งมั่นไม่วันไหวก็เป็นมหาสติปัฏฐานในเมื่อสติมาตั้งมั่นอยู่ที่กายและเลือด ร, รู้อยู่ที่กายตลอดเกลาเหลืองเกทนานุปนัฏฐานเราไม่ตั้งไม่ไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดรู้ไม่ได้ตั้งใจจ ะ, งใ จ, จะพิจารณา จิตของเราก็รู้เองเพราะจิตมีกายกายเป็นที่เกิดแห่งเวทนาเมื่อจิตมาจดต่อเอาใจใส่ต่อกายอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตของเรารู้หมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตมาตั้งมั่นดูที่กายเอากายเป็นอารมณ์สติตั้งมั่นดูที่กาย แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นกเพราะอาศัยกายนั่นแหละเป็นเครื่องมือเมื่อมีกายอยู่จิตก็มีความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั้นแม้เราไม่ได้ตั้งใจจะกําหนดรู้จิตของเราก็จะรู้เพราะการคิดเป็นเรื่องของจิต <c oughs> ในเมื่อสติของเราไปตั้งมั่นอยู่กับความคิดที่คิดอยู่ในปัจจุบันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้แต่ความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนสติกำหนดตั้งมั่นอยู่ที่ความคิดนั้นเรียกว่า ตานุปัจนาสติปัฏฐาน <c oughs> ที่เนื้อความคิดที่ปรุงแต่งนั้นอาศัยเวทนาเป็นสิ่งหนุนสุขเวทนาเป็นเหตุให้จิตมีความเพิดเพินยินดีทุกเวทนาเป็นเหตุให้จิตเกิดความไม่พอใจหรือบางทีอาจจะเกิดคาแคบใจในเมื่อกิเลสที่ เป็นตัวการคือความไฟในความสุขความสบายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้พอนั่งนั่งไปปฏิบัติไ ป, ไปบางทีก็เกิดคุกขเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่ามีอาการง่วงง่วงแล้วก็เกิดอเกิดหัวต้นคอหรือบางทีหายใจอึดอัด แิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นทั้รวนให้เกิดความงดเกิดงุนง่านลำคาญในเมืเ่อจิตมากําหนดรู้อยู่ที่ความงดเกิดงุนง่านลำคาญปิดก็เริ่มกําหนดรู้เรื่องของธรรมแล้วก็จะมองเห็นที่วอนทั้งห้าได้ชัดเจนคือมองเห็นความใคร้ในความสุขสบาย ทำให้เกิดที่เฉียดที่คลานมองเห็นได้ชัดแล้วก็มองเห็นความหุดหิดลำคานอุตจาักกุกจักได้ชัดเจนและยิ่งเกิดความง่อเงาหาวนอนขึ้นมาแทรกด้วยเราก็มองเห็นได้ดชัดเจนเราเกิดสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปดีโดยใจุดเพียงแค่นี้ เราก็มองเห็นได้ชัดเจนในเมื่อเราเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติต่อไปหรือจะหยุดแค่นี้พยาปาทะคือตัวคอยตัดรอนได้โอกาสพอวิ่งเข้าไปตัดพอตัดลงไปแล้วเราก็จะด้ว่ความเอาแค่นี้พอแล้วเอาไว้วันหลังปฏิบัติต่อใหม่ ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอเกิดหมุดอิดขึ้นมาแล้วก็เอาละแค่นี้ป่าไ้าวันหลังจึงปฏิบัติต่อใหม่เราก็จะไม่ได้ประสบกับความสำเร็จเพราะอันนี้มันเป็นนิวรนที่คอยตัดตอนคุณงามความดี อาจิตของเรามาตั้งสติพิจารณาคุณโทษแห่งนิวรนฆ่าดังที่กล่าวแล้วก็พยายามหาวใบปลดเรื่องโอบายปลดเรื่องนิวรนฆ่าก็คือเอาตัวนิวรนฆานั่นแหละเป็นเครื่องแก่คือพิจารณาหาโทษของให้เห็นโทษของนิวรนโดยพิจารณาว่ากามฉันทะ ถ้าเราทำจิตให้ปจิตในความสุขความสบายจนเกินไปอย่างไม่มีเหตุผลก็จะทำให้เราเสียการเสียเวลาเสียการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่ก็ย่อมลงทุนลงแรงบ้างพอสมควรต้องอาศัยความอดทนถ้าเราใช้พันตีความอดทน ปฏิบัติไปสักพักหนึ่งนิบอรทาทั้งหลายนั้นย่อสมสงบระพับไปได้เพราะพลังของสมาธิอาห า, ามาชันะความใกล้ในความสุกเกิดขึ้นให้กำหนดสตริรู้อาพยาปาทะมันเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้ อุถ้าจะุกุจะความฟุ้งซ่านลำคาญเกิดขึ้นก็กำหนดสติรู้ห้าจินิมิาความงงงเอาเผลอนเกิดขึ้นกำหนดสติร e ู้ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นกำหนดสติรู้โดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่และเล็บของสติ กำหนดจดจ้องพิจารณาอยู่อย่างนั้นในเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเกิดสมาธิความมั่นใจฝึกอาศัยขันติความอดทนพิจารณาให้จิตของเรารู้แจ้งเห็นทัดในคุณประโทษของธรรมคือนิวร เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงรู้ทัดแล้วจิตของเราก็จะปล่อยวางเข้าไปสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้สมาธิเพราะอาศัยธรรมะคือนิพนเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ละเล็กของเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นที่เป็นที่ตั้งของสตงงสิเป็นเครื่องรู้ของจิต ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งละลึกถ้าเราตั้งใจจดจ่อพิจารณาเฆ่งดูจิตจะสงบเป็นสมาธิพระฉะนั้นแผนการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสี่กำหนดพิจารณากายเวท น, นาจิตและธรรม เรากำหนดหมายเอาง่ายๆคือพอนั่งสมาธิปั๊บลงไปกำหนดรู้จิตคียิยาที่ตั้งใจกำหนดรู้จิตนั้นเราอาศัยประสาททางกายเป็นเครื่องช่วย ถ้าจิตไม่มีกายแล้วไม่มีความตั้งใจจะทำอะไรจะคิดอะไรเพราะจิตเป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆลำทังจะจิตดวงเดียวที่ถอดออกไปจากร่างอันนี้เขาจะไปลอยเด่นใสสว่างไม่มีตัวไม่มีตนคิดไม่เป็นอยู่เฉยๆ แต่ถ้ายังมีความสัมพันธ์กับกายนี่อยู่พิตเป็นพราะมีเครื่องมือจิดเป็นแต่เพียงพลังงานร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือจิดเหมือนกระแสะไฟฟ้าในเมื่อกระแสะไฟฟ้าวิ่งเข้าไปสู่แม่เหล็กและทองแดงเกิดความหมนุน พอหมุนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดความเคลื่อนไหวทำให้เกิดพลังต่างๆขึ้นมาได้ดังนั้นในเมื่อกายมีอยู่จิตก็มีความคิดเพราะกระแสของจิตไปกระทบกับร่างกายเครื่องมือของกายเราพิจาริยเพราะอาศัยประสาททางสมอง เพราะฉะนั้นในเมื่อเรากําหนดรู้ที่จิตของเราเราจะรู้ว่าในกายของเรานี่มีอะไรบ้างอย่างน้อยก็รู้ว่ากายของเรามีศีรษะหนึ่งมีแขนสองขาสองมีลําตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายลนใจเมื่อเราตั้งใจกําหนดรู้อย่างนี้ เรียกว่ากำหนดรูกายทีนี้ในเมื่อเรากาหนดรูกายอยู่ร็กายเป็นที่เกิดของสิ่งต่างๆสุเ ก, ก, กเกิดที่กายภพเกิดที่กายแต่เพราะใจเป็นผู้เป็นผู้ยึดมั่นคือมั่นอยู่ในกายนี้กายเป็นที่เกิดของความเจ็บ ความเจ็บอันนี้จิตเป็นผู้รับรู้ทีนี้ถ้าจิตไม่มีกายก็ไม่รู้จากเจ็บเพราะฉะนั้นเวทนาเกิดที่กายสุขเวทนาก็เกิดที่กายทุกขเวทนาก็เกิดที่กา ย, กากกกายหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดที่กาย เมเรากําหนดรู้กับกายมีอยู่เราจะรู้พร้อมทั้งเวทานาจิตและธรรมจิตก็คือตัวผู้รู้ธรรมก็คือสิ่งที่กําหนดรู้อยู่เรากําหนดรู้จิตกําหนดรู้อารมณ์จิตกําหนดรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันในเมื่อจิตสวัสดิสุขซึ่งเกิดจากปีติ นิพบานอ้ากามฉันทะพยาบาททินมิธะอุตจักุคุจักก็หายไปทีนี้เมื่อสมาธิจิตสงบละเอียดลงไปจกนกระทั่งตัวหายไปหมดแล้วมีศกวิจารปีติสุขก็ขาหายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยกายเกิดถ้าไม่มีกายที่ศกวิจารปีติสุขก็ขขขไม่มีได้ เพราะฉะนั้นเมื่อกายหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวจึงได้เชื่อว่ามีแต่จิตดวงเดียวซึ่งเรียกว่าเอกขตากับโอเบขาความเป็นกลางของจิตร่างกายทั้งตัวหายไปหมดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิซึ่งเดินตามหลักของมหาสติปัฏฐานสี่ จึงเป็นอุบายทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเพื่อสัจจนีวอนทำภาพประการให้หมดไปจากจิตในขณะที่มีสมาธิจิตของเราจะได้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภมูมิธรรมตามลำดับขั้นตอนซึ่งสุดแท่แต่พลังจิตพลังสมาธิของท่านผู้ใด จะปฏิวัติปิตของตนเองให้เป็นไปได้เราจะนั้นการบกผลอบรมสมาธิเราอาศัยหลักภาวิตาอบรมให้มากๆากพะพหลีกตาทำให้มากๆทํทำให้คล่องตัวทำจนคนิชำนานทำจนกระทั่งถึงขั้นเป็นเอง ในเมื่อจิตได้ดำเนินตามหลักของมหาสติปัฏฐานทั้งสี่สกรนจึงเป็นฐานที่ให้เกิดธรรมะอันเป็นองค์กุณแห่งการตัดรู้คือสติสัมโภชงในเมื่อเรามาทมสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกมรรคเอกธรรมสติเป็นเองโดยอัตโนมัติ สามารถที่จะกำหนดรู้กายจิตสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้เองโดยตลอดเวลาก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ต้อมอที่การเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิดได้ด้ว่วิจิตได้สติสัมโพธิพงเป็นองค์แห่งการจัตสรู้ เวลาแห่งการบรรยายธรรมตามหลักแห่งมหาสติปัฏฐานสี่ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สมาธิการนั่งสมาธิเดียวกว่าวิธีนั่งสมาธิให้นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายขัดสมาธิ เอามือซ้ายวางลงที่ตัต้ามือขวาวางทัดให้หัวแม่มือเกิดฟันเบาๆอย่าให้กดสัองกายให้ตรงคือนั่งให้รู้สึกว่าตายตรงให้เป็นที่สบายอย่าเกรงกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกาย นั่งพอพยุงตายให้ตรงอยู่อย่าให้มีส่วนใปตึงอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่าโค้นนักอย่าเงยนักวางหน้าให้ตรงสงาพาเผยเหมือนพระพุทธโลกนั่งคัดสมาธิอันนี้เป็นวิธีนั่ง ต่อไปเป็นวิธีกำหนดจิตเพื่อทำความรู้สึกที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตของเราก็อยู่ที่ตรงนั้นเพื่อจะให้จิตมีฐานที่ตั้งให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก จะนใกคุทซ้อมลมเข้าโพซ้อมลมออกก็ได้ <c oughs> หรือใครจะไม่นึกอะไรเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจซึ่งออกเข้าอยู่โดยธรรมชาติของการหายใจก็ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเรียนให้รู้ธรรมชาติ ของร่างกายทำไมลมหายใจจึงเชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะเะนว่าเราจะตั้งใจก็าตามไม่ตั้งใจก็าตามใจของเราก็หายใจอยู่โดยธรรมชาติเพียงแต่เรากำหนดลมหายใจเฉยๆอยู่อย่าบังคับติดให้สนุก แต่เพราะประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาจิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่คานึงถึงคหนึงแต่ว่าจะรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นรู้หายใจยาวรู้ เพียงแต่เอารู้ตัวเดียวกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนี้านการกำหนดรู้ลมหายใจเป็นหลักษาทารณะทั่วไปและการปฏิบัติสมาธิก็เป็นหลักษาทารณะทั่วไปไม่สังกัดในละทิและศาสนาใดๆทั้งสิ้น เพราะการฝึกสมาธินี้เราจะมาฝึกจิตของเ ร, เราให้สามารถกำหนดรู้ธรรมชาติการปฏิบัติธรรมหรือการเรียนธรรมก็คือเรียนให้รู้ธรรมชาตวิชาการที่เราเรียนกันมาในศาสตร์ใบใก็ตาม เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติทั้งนั้นการฝึกสมาธิไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งขัดสมาธิหลักตากำนดดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวแม้ว่าเรามีสติรู้อยู่แับเรื่องคีวิปจำวันทุกขณตทุกลมหายใจ ก็เชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทางนั้นแต่เพื่อจะให้มีวิธีการเข่มค้นเข้าไปหน่อยเราจึงมาฝึกกันแบบมีพิธีลีลองอย่างที่เรามาฝึกกันอยู่เวลานี้เราจะมากำหนดรู ล, ลมหายใจแล้วเราอาจจะเลิกพูด ต้อมลมเข้าโพคล้ อ, อมลมออกก็ได้หรือเราจะช่องบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธสัมมาอรหังยบหนอทองหนอก็ได้หรือเราจะกำหนดรูจิตคอยจ้องดูจิตของเราเมื่อความจิตอะไรเกิดขึ้นให้มีสติกำหนดตามรูไปก็ได้ เป็นวิธีการฝึกสมาธิทางนั้นการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมานี้เราสามารถจะทำได้ทั้งในท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเพราะสมาธิเป็นกิริยาของจิต การปฏิบัติสมาธิเป็นกิริยาของจิตไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอนแต่การยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายว่าอย่างง่ายๆก็คือการออกกำลังกายนั่นเองเพราะถ้าเรานั่งมากมันก็เมือ่อยทรมานร่างกายต้องเปลี่ยนไปเดินเดินมากทรมานก็เปลี่ยนเป็นยืน ยืนมากประมาณเปลี่ยนเป็นนอนเปลี่ยนอิริยาบทให้สมันเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องสายในเมื่อกายของเราต้่องเฉาว่องไวจิตของเราก็ต้่องเฉาว่องไวขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเดินเดินนั่งนอนจึงเป็นพ้าประกอเท่านั้นแต่สมาธิทืนแน่แน่ก็คือกิริยาของจิต ดังนั้นเราจะปฏิบัติสมาธิในท่าไหนได้ดังนั้นเดินเดินนั่งนอนรับทานเด่นทำผู้คิดเพียงแค่มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะที่ เ, าเราทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเราทํำปติสัมรูทการเดินเดินนั่งนอนรับทานเด่นทำผู้คิดเป็นการเรียนให้รู้ธรรมชาติ ธรรมชาติของร่างกายย่อมมีการดูดโดนนั่งนอนรับทานหรือทำผู้คิดนักบลาศไม่ว่าในศาส น, ในาใดๆการสอนมนุษย์ให้รู้จักความเป็นของตัวเองในเรื่องสกในไม่รู้จักความเป็นรู้จักธรรมชาติของคนเองได้ต่องแท้แน่นอนการที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัวเองนั้นจึงเป็นขอบไม่อยากนัก เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเรียนให้รู้ธรรมชาติของตนเองธรรมชาติของร่างกายต้องมีการเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดไหลพิดธรรมชาติของจิตก็เป็นผู้มีหน้าจีคอยบังคับบัญชาสั่งให้ร่างกายทําอะไรและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวง เพราะตนเองเป็นนายตนเองเป็นผู้สั่งการสั่งการลงไปแล้วย่อมมีบารรับผิดชอบจึงจะสมสักดีของผู้เป็นนายทานั้นในตัวของเรานี่ใจเป็นนายกายเป็นเบาการปฏิบัติธรรมจึงอาศัยกายกัดกินทั้งสองอย่างเป็นของสู้กันเป็นหลักของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวิสีการทั้งหลายนั้น เป็นเตียงวิธีการสำหรับประกอบการปฏิบัติแต่แท้ที่จริงสมาธิสมาธิเป็นกิริยาของจิตในขณะนี้เรามานั่งกำหนดรู้ลมหายใจเรารู้อยู่เราก็จะรู้ว่าธรรมชาติของกายย่อมมีการหายใจอยู่เป็นปกติขาดไม่ได้ เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจยาวเราก็จะรู้ลมหายใจสั้นเราก็จะรู้ลมหายใจยาบเรารู้ลมหายใจละเอียดเรารู้เรารู้ตัวเดียวเท่านั้นรู้นี่เป็นกิริยาของจิตพวกคนมีจิตรู้กันเท่านั้น ไม่สฉพาะแต่มนุษย์สาสตร์ก็มีจิตรู้คีอในโลกตัวนี้ไม่ได้สังกัดใจล้ที่เราศาสนาใดๆทั้งสิง้ดังนั้นที่เรามาเรียนรู้ธรรมชาตินี่เพื่อจะให้รู้ความจริงของกฎธรรมชาติเมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ควรจะรู้ความจริงของธรรมชาติอกฎของธรรมชาติด้วย กฎของธรรมชาติทั้งหลายนั้นธรรมชาติอันนี้คือตายสับใจสถานภตายแต่สิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศถึงเรียกว่าจักรวาลทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าธรรมชาติอนี้กฎของธรรมชาติก็คือความเปลี่ยนแปลงพวกสิ่งพวกอย่างในจักรวาล น, นี้ตั้งแต่อนูพระมานู จนกระทั่งมวลสารที่กาะกลุ่มขันเป็นก้อนใหญ่โตเขาย่อมตกอยู่ในกฎของธรรมชาติเพื่อมีความเปลี่ยนแปลงมีปรากฏการณ์ขึ้นในเบื้องต้นชงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่ในที่สดย่อมสลายตัวอันนี้เป็นหลักภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสาธ า, ษา ร, รณะทั่วไปในหลัก บ, บัญญัติของ ภาษาอินเดียความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอานิจจ์ความทนไม่ได้อยู่ตลอดกาลเขาเรียกว่าทุกขงังความสลายตัวเขาเรียกว่าอนัตตาภาษาไทยว่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลไม่เป็นตัวของตัวอันนี้เป็นคำสมมติบัญญัติเท่านั้น แต่แล้วโลกทั้งโลกให้ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นชงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นชงอยู่สลายตัวอันนี้ภาษาโลกที่เขานิยมใช้กันโดยทั่วทั่วไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งภาษาในหลักวิทยาศาสตร์เขาใช้กันแต่พวกอินเดียเขาใช้คำว่าอ น, นิจจพุกขังอนาาัตตาแต่ไทยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงยักจ้าย คนอยู่กับที่ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวคือสลายตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรามาฝึกหัดสมาธิเพียงแค่กำหนดรูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าลมหายใจนี้มันทอดเปลี่ยนแปลงมีออกมีเข้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียด เราก็รู้จว่าลมหายใจมันเปลี่ยนจากจาดเป็นละเอียดละเอียดเป็นหยาดแต่ในบางครั้งจิตสงบเป็นสมาธิอย่างลึกซึ้งถึงขนาดกายหายไปลมหายใจมันก็หายไปด้วยเพราะลมหายใจมันเป็นส่วนกายก็ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเด่นรู้สว่างอยู่ ใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็จิสตสงบลงเป็นสมาธิแลว้วก็นิ่งสว่างรู้เป็นเบิกบานใครทำก็ได้ถ้าทำจริงไม่สะพ่อเสชาวุูผู้นับถือพระพุทธศาสนาคนในศาสนาอื่นทำก็ได้คนไม่มีศาสนาทำก็ได้ <c oughs> เมื่อทำลงไปแล้วจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเดยกบานใครจะเรียกว่าอะไรเพาเแล้วแต่จะสมมติปัญญตะตู้เป็นธรรมชาติสองจิตจีตเป็นธาตรู้จิตมีสภาวะรู้สึกรู้ในรู้ิตแต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจะไม่รู้จากดีจากผู้ไม่รู้จากจิตไม่รู้จากภูม ว่าสติสัมปชัญญะของเรายังอ่อนเราจึงมาฝึกสมาธิเพื่อให้สติพร้อมพลังเข่มแข็งขึ้นจะได้กํำหน ด, ดรู้สิ่งต่างๆให้รู้จริงตามกฎของธรร ม, มาชาติในเลิกกฎธรร ม, มาชาติทั้งหลายเหล่านี้เที่มันเกี่ยวข้องกับเราเมื่อเราไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขา สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั่นเมื่อหากว่าสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่เราไม่พอใจเราก็เกิดโกรธเพราะเราเอาความรู้สึกของเราไปขัดจูกับความเป็นไปของกฎธรรมชาติดังนั้นนักบาศไม่ว่าใน ล, ทลททนัทธิไหนศาสตรสนาใดๆจึงสอนให้ทุกคนให้เรียนรู้กฎของธรรมชาติ เธอจะได้แก้ไขปรับปรุงธรรมชาติต่างซึ่งพอที่จะเป็นไปได้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นไปตามความต้องการของเราเกื่องยนเื่องคนทั้งหลายต่างๆว่าถูตั้งเดิมเขาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในดินในน้ำแต่ผู้สลาดไปค้นฟว้าคิดเอามาสร้างโน้ตสร้างนี้ สร้างรถนต์สร้างเครื่องบินสร้างกระโดดสร้างปะะมานูนิวเพียเอามาเป็นพลังงานสำหรับเป็นเครื่องปฏิกรณ์ต่อชีวิตหรือทำลายซึ่งกันและกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดังเดิมวัตถุมาจากธรรมชาติแต่ผู้ที่มีความปลาดเฉลียวก็สามารถเอามาดัดแปลงแปลงเป็นโน่นเป็นนี่ให้ใช้ ในประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้ทีนี้ธรรมะอันเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นโลกธัมนามธรรมเราก็สามารถที่จะฝึกฝนอบรมสร้างสมรรภาพให้เข้มแข็งมีพลังทางสติปัญญาเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเป็นการดัดแปลงธรรมชาติเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อันนี้เป็นวิสัยของมนุษย์จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามบุญตามกรรมเพืนอย่างสัตว์ได้รัขฐานนั้นมันไปย่อมไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทางด้านมนุษย์จึงมีการสร้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองส่งแล้วกับความสามารถสติปัญญาของผู้ใด จะสามารถทำได้แม้เราไม่ได้คำนึงถึงการที่จะสร้างวัตถุเธอเรามาสร้างพลังจิตพลังใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปรับปรุงชีวิตของเราให้เป็นอยู่ได้สบายในสังคมก็เป็นการเพียงพยงอสำหรับการปฏิบัติธรรมดังนั้น การทำสมาธินี้จะเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งเพื่อสร้างพลังดังที่เกล่าวมาแล้วนั้นจะสร้างจิตสร้างใจสร้างชีวิตของเราให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเราจะได้สามารถทำธุรกิรรม ง, งานต่างๆด้วยความมั่นใจด้วยความมีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองและสังคม ให้มีความเจริญมั่นคงสุดไปแั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฝึกผลอบรมเอาให้ได้ไม mm hmm. ่ว่าเราจะทำอะไรต้องอาศัยสมาธิทางนั้นแหละผู้ถ์ทำสมาธิส่วนใหญ่ก็มุ่งสู่พระนิพพานแต่เมื่อเรายังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องหาเอาประโยชน์ในระหว่างทางให้ได้ ทางด้านขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นกาหนดปิดรูลมหายใจออกหายใจเข้ากําหนดรูอยู่เฉยๆในช่วงติดสัานกำหนดรูลมหายใจอยู่าหากมีอาการชุ่มเื้เหมือนจะง่วงนอนก็ให้มีสติกําหนดรูอยู่เฉยๆหากมีาการรู้ติกอิดอัด เลื้อนหนักงวงตรงต้นคอหรือเวียนศีรษะก็กําหนดรู้อยู่เฉยๆกําหนดรู้ลมหายใจไว้เป็นหลักหากว่าจิตลอยวางลมหายใจใจิตเสียาการเพิ่มบุปผาลงไปถ้าไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาก็ควรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะที่จิตมีความคิด ให้ปฏิบัติสลับกันไปอย่างนี้พยายามทําให้มากมากปกลมให้มากมาในขณะที่ปฏิบัติสู่จะไปบงคับจิตให้สงบหน้าที่ของเรากำหนดรู้ลมหายใจแต่อารมณ์ภาวนาดอยู่เท่านั้นเมือ่อใดจิตจะสงบ ก, ก็อยากไปพิสเมื่อใดจะรู้จะเห็นก็อยากพิส ไม่รู้อยู่ที่สิ่งรู้ในปัจจุบันเท่านั้นความสงบของจิตครอบลอยให้เป็นเรื่องของจิตไปความรู้ก็อบลอยให้เป็นเรื่องของจิตไปส่วนความรู้จิตเป็นความตั้งใจจิตจะรู้หรือไม่รู้ไม่สาคัญสาคัญอยู่ตรงที่กำหนดรู้อารมณ์จิตในขณะ น, นี้แล้วเมื่อเรากำหนดรู้อารมณ์จิตในขณะ น, นี้ จิตของเราก็จะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์จิตเองเมื่อที่อารมณ์สัมพันธ์กับจิตจิตมีอารมณ์เป็นสิ่งที่กําหนดรู้อยู่อารมณ์กับจิตไม่พาดจากกันจะกําหนดก็ตามไม่กําหนดก็ตามเราก็รู้อารมณ์จิตของเราอยู่อย่างนั้นแสดงว่าจิตได้วิสกปมีสติรู้อยู่ได้วิจาร ถ้าเปมีตีสุขเอกับพระตาก็ได้ตีสุขเอกับพรตาใิา่ตีเสวอวิสุกขิการตีสุขเอกับพระตาอยู่เป็นเวลานานๆก็ได้ประสมมาทานเื็นฐานติด อ, อันนี้เป็นวิธีการนั่งสมาธิ